คุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพ ค, ค่ะรายการสรนสานิสนทนานะคะมาหลังจากวันพระใหญ่วันมาค้าบูชาที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ดิฉันสรนสานินาภงก็มาตามสัญญาที่ว่าได้ไปหลีกเร้นที่วัดป่าดอนายโก ซ, ซึ่งพระอาจารย์ภบูรณ์อภิปุณโนหรือว่าพระมหาภัยบูรณ์นะคะได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ดาเนินการ สอนในหลักสูตรนี้มาอย่างจริงจังต่อเนื่องเรียนเองก็เพิ่งที่จะไปตลอดทั้งต้องบอก 90% ้าสิบเปอร์เซ็นเพราะวันแรกไปไม่ทันหลักสูตรแล้วก็ได้บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปกราบสนทนากับพระอาจารย์กันก่อนเลยนะคะนมัส ก, การค่ะท่านคะเจ้าบ้านท่านหายเหนื่อยหรื อ, อยังคะเหนื่อยเมื่อยก็ธรรมาดาคุณยมติ๋ว <laughs> คนเรานะ นั่งสมาธิบางทีนั่งนานๆก็เมื่อยก็ธรรมดาสาธุเลยคะ่ะท่านวันนี้ที่ฉันอาจจะพูดคุยแปลกไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ไปสังเกตการบางทีอาจจะพูดถึงท่านบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราบน้มสักการขอโอกาสแล้วก็ขอประธานอภัยไว้นะคะมีอะไรที่อาจจะเพลอ์พลายไว้จับช่วนิดหน่อยเพียงแต่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศขอย้อนไปเรื่องเมื่อวานก่อนดีกว่าคะ่ะวันมาคะบูชา ในมุมมองธรรมะของท่านที่อยากจะพูดถึงค่ะพูดถึงเรื่องของมาคะามาคานี่เป็นเป็นชื่อเดือนมาค้านี่ก็คือเดือนที่สามเหตุการณ์ที่สำคัญที่คิดว่าเราจะต้องมาสนใจในที่นั้นก็คือเรื่องของการประชุมของหมู่สงเนี่ยแปลว่าหมู่เกิดมีหมู่ขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นการประชุมของหมู่ในที่นั้นก็คือที่สำคัญสาคัญอย่างที่เราทราบกันดี เป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นเป็นพระอาหารหันต์ที่พระพุทธเจ้าวบวชให้เองทั้งสิ้นแล้วก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยแต่นี้เหตุการณ์ที่สําคัญในวันนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พูดถึงองค์ประกอบของการที่เราจะเผยแผ่ศาสนาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่ละคนแต่ละท่านคิดว่าเฮ้ยเราจะช่วยกันรักษาศาสนานะ่าเราจะช่วยกันรักษาคําสอนของพุท ธ, ธนะน่าตรงนั้หน่าจะเป็นคําสอนที่เราจะต้อง มาดูกันละ ว, ว่าอ๋อพุทธาสอนเรื่องนี้เราจะรักษาคําสอนในะศาสนาเนี่ยแปล ว, ว่าคําสอนจะรักษาคําสอนได้เอามาทรงไว้ในสมองด้วยเอามาทรงไว้ในใจด้วยที่เราทราบๆกันก็คือการที่ไม่ทําบาปใช่ไหมการที่ทํากุศลให้ถึงพร้อมการที่ทำททจิตใจให้บริสุทธิ์แต่ส่วนใหญ่มันจะเข้ามาจัดการเรื่องกิเลสในใจของเราค่ะอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยตรงนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากที่ชาวพุทธควรจะรู้ไว้ว่าเพราะมีวันนี้นะอีกวันหนึ่งที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสดีวันนี้เพราะว่าการเผยแผ่ศาสนาเป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่มีใครเผยแผ่มาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็กุหมดโอกาส น, น, นะคะใช่ใช่แล้วก็เผยแผ่ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยคือคือวันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับวันที่แสดงธรรมจักกับปปตัตตนะสูตรค่ะคือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เดือนหกถูกไหมมาเดือน8ดก็แสดงธรรมซึ่งวันนั้นก็คือในช่วงวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมที่ผ่านมาทีนี้พอมาข้ามาปีถัดมาเดือนสก็คือเมื่อวานนี้เป็นคล้ายวันที่เกิดในการนั้นนะก็มีการประชุมหมู่ทีนี้หมู่เนี่ยหมู่แห่งสงฆ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากแล้วห้ารูปตรงนั้นหรูปตรงนั้นมีหมู่ห้าคนแล้วรวมพระพุทธเจ้าเป็นหกคนแล้ว แต่ที่หมู่ใหญ่ที่ว่าพอเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะทําอะไรได้แล้วก็รวมถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคละนะก็อยู่ด้วยครบองค์เลยนีในวันที่มากบูชาที่เราผ่านมาเมื่อวานอ่าท่านจะเรียกว่าเป็นสังฆะที่เข้มแข็งใช่ถูกต้องอ่าก็ก็อบอกอ่าเป็นวันสังฆะเข้มแข็งใช่บางคนเรียกวันพระสงฆ์ถูกไหมคะจะพูดยังไงก็ได้จะพูดยังไงก็ได้นะคะก็ผ่านไปแล้วละ คงได้ทําบุญกันในลักษณะต่างๆมาถึงเรื่องของการหลีกเล่นคุณยวติ๋วไปแล้วเป็นยังไงบ้างเละก็กราบเรียนท่านนะ น, นะคะว่ารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ได้ไปอยู่เกือบร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่เห็นพัฒนาการของตัวเราเองอจากการที่ได้ไปใช้เวลาจะว่าไปเจ็ดวันเนี่ย ดูเหมือนสั้นทะนับด้วยเลขนะคะเพราะมีไปกลับอีกสองวันเป็นเก้าวันใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีภาร ะ, ะปัญหาคืออยู่ที่ว่าเราปิดการสื่อสารไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือต้องฝากเอาไว้เลยปิดวาจาฝากฟังใครลำบากแต่ก็ไม่ใช่ไม่สามารถซะเลยนะคะท่านผู้ฟัง มีโอกาสในการที่เราจะไปเขียนโน้ตในกระดาษถึงผู้ช่วยงานทำให้เป็นผู้ดำเนินการค่ะก็คือระบบในการทําตรงนี้เนี่ยจะต้องแยกแย้ายในสองส่วนส่วนแรกนะั่นคือการหลีกเล่นคือการที่อยู่คนเดียวไม่ส่งสิ่งไกลนี่คือคลักษณะที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทาแต่ส่วนที่ไม่ให้ทําเกินสามเดือนก็เรื่องมุขวัตคำว่ามุขวัตเนี่ยก็คือสมาฐานการไม่พูดและพระพุทธเจ้าตําหนิว่า ไอ้ถ้าคุณอยู่ด้วยกันคุณไม่พูดกันคือหมายถึงไม่ดูแลกันเจ็บป่วยอะไรไม่ดูแลกันอันนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกับปัสสุสัตว์เนี่วัวควายเนี่ยอยู่ใต้ถุนเรือนเดียวกันเนแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือดูแลกันอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือจึงต้องมีระบบการช่วยเหลือดูแลหนะมายความว่าถ้าเราไม่ได้รับความสะดวกเรื่องความเป็นอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้แต่ตัว <คะ S 1> เราเองก็ต้องฝึกในอยู่ในกฎการหลีกเลนนั่นเองคะ่ะคือเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่ช่องทําให้ การใช้ชีวิตในการหลีกเล้นนั้นเป็นไปโดยไม่ลั บ, บากนะคะแล้วก็คือคือพูดจริงๆนะคะสำหรับคนสมัยนี้แล้วคนที่อยู่ในเทคโนโลยีที่มันทำให้ทุกนาทีของเราเนี่ย <c oughs> มันมิบางทีไม่สื่อสารกับใครก็มีคนสื่อสารกับเรา <c oughs> อย่างโยงไมได้มีปัญหาเรื่องการ บริหารแบตเตอรี่โทรศัพท์กันทั้งคะ oh. คือมันจะหมดเร็วมากทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราไปเปิดใช้แอปพลิเคชัน Li ายใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเรามีเพื่อนเยอะเหมือนก็เรามีหลายกลุ่มเนี่ยแวบเดียวบางครั้งแบตหมดโดยไม่ได้ใช้เลยอื hmm. เดี๋ยวก็แดงขึ้นว่าโลบแบตบละไปอยู่ที่นั่นพอหลายๆวันเข้ามีความสุขกันทั้งคะเอ๊ะจะดีเหมือนกันนะชีวิตที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้เพราะว่าบางทีข้อมูลที่ผ่านเข้ามาก็อาจจะยังไม่จําเป็นณเวลานั้นที่เข้ามานะคะใช่ อันนี้ต้องยอมรับว่าพึงพอใจก็ถือว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของการติดต่อสื่อสารละแต่เป็นประโยชน์กับการหลีกเล่นก็คือว่าได้เห็นตอนที่ออกมาแล้วอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เนี่ยพอทันทีเราเปิดขึ้นมาตึ้งเ้วยังไม่ทันพูดกับใครข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ผ่านตาเข้ามา่าน า, า, ามาเต็มที่แลนะ้วทั้งครูรนี่ขนาดเราบอกว่าเราไม่อ่านแต่บางตัวผ่านเนี่ยเห็นแล้ว ความว่องไวคล่องแคล่วมันก็เห็นมันก็สัมผสัสได้ว่าอะไรเข้าหัวบ้าง<ร>ท่านเชื่อไหมคะว่าอายังมีบลาลังที่เหลืออยู่อีกบลาลังสองบลาลังในการนั่งเนี่ยสมาธิแทบจะจับไม่ได้มัน <laughs> บากจริงๆ <laughs> ก็เลยได้เห็นว่าอ๋อเข้าใจละอันนี้สองมีจริงๆนะเนี่ยเอใช่ค่ะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะทีนี้อ่พอไปอยู่ที่นั่นก่ะท่านคะเรื่องของที่อยู่กันท่านก็เมตตามากให้ดิฉันไปอยู่ในกุฏิ ใหม่ใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนไปร่วมกันสร้างเห็นบอกว่ามีเกือบเกือบห้าสิบหลังถูกไหมคะใช่แล้วก็พวกเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมทําบุญกับท่านมีเพื่อนดิฉันบอกว่าในกลุ่มของเราที่ทําบุญเนี่ยดิฉันโชคทีมากได้ประเดิมอยู่บ้านหลังนี่ขนาดสี่คูณสี่ได้วหมคะท่านคะประเมนินเลยตารขอนวนด้วยตานะคะแล้วก็มีห้องเดียวนั่นแหละแต่ว่าดีนะคะคือมีห้องน้ําอยู่ข้างหลังเพียงแต่จะห้องนั้นไม่ตัว ค่ะเป็นห้องน้ําในตัวเพียงแต่อาจจะเวลาดึกดึกกลางคืนบ้านดิ่ฉันอยู่หลังที่สุดชายวัดเนี่ยชายวัดตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็เสียวเสียนิดหน่อยตอนออกไปเข้าห้องน้ําอืมค่ะแล้วก็อนอนเสีอผืนหนึ่งถือสีแปดไม่ต้องอะไรมากชีวิตกวามาอยู่ง่ายมากคือดิฉันดิฉันรับได้นะคะท่านคะเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาจากที่อยู่ดิฉันมีการนอนไม่หลับเนี่ย อ, อ๋อโอ้ย อยู่กรุงเทพไม่เคยเป็นเลยเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยจะนอนปุ๊บเกือบจะหลับปั๊บด้วยซ้ำเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเราถึงวัยที่จะต้องตื่นในตอนดึกแล้วอันนี้ก็ทุกทรมานมากจากการนอนไม่ได้สักสามสี่คืนติดติดแล้วพอท่านอาจารย์กับผู้ปฏิบัติที่เขาเปิดปากพูดได้เปิดปากในภายหลังอ่เะเขาก็อธิบายใหฉันว่าตรงกับท่านพูดนะคะว่าเหมือนกับจิตเมื่อเรานั่งสมาธิได้ ใช่ไหมคะท่านใช่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะคือคนที่พอเข้าสมาธิจิตเป็นลมมันเดียวแล้วเนี่ยร่างกายมันจะได้รับการพักผ่อนตรงนั้นอยู่แล้วแต่อันนี้คือที่นั่งที่นอ น, นันเป็นทิปของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วลการนอนอย่างตถาคตก็คือการเข้าสมาธินั่นเองค่ะแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคือดิฉันลืมสังเกตไปว่าไอ้ที่ว่ากระสับกระส่ายนอนไม่ได้เนี่ยแต่พอมานั่งสมาธิเราตื่นกันตีสี่ครึ่งเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ ตีห้าแล้วก็สลับกับการพักทีละสิบห้านาทีนะคะไปจนกระทั่งถึงสามทุ่มเนี่ยไม่ปรากฏอาการเหนื่อยไม่ไมปรากฏอาการง่วงงุนเลยนะคะ อ, อะก็ต้องกราบเรียนท่านว่าโอ้โหที่เชื่อแล้ววิธีการศึกที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปว่าตอนแรกเนี่ยสามสองวันแรกคิดในใจกราบลาพระอาจารย์ดีกว่าเหมือนกับเรานี่เป็นคนบาปมั่อช่วงเนี้ยนั่งสมาธิไม่ได้นะคะนั่ง <c oughs> ท่านไคบูนได้สอนในลักษณะของใช้พุทธวจนะเกือบร้อยเปอร์เซนต์ใช่คำนี้ไหมคะ ใ, ในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมาแรกๆดิฉันหลับอย่างเดียวเลยคะ่ะอาศัยพุทธวจนะท่านเนี่ยโอ้ยฟื้นเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลับนะคะ <c oughs> ตรงตร ง, ตรงนี้คืออาจารยจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนด้วยน ะ, ะเผื่อว่าท<ะ>่านผู้ฟังจะได้ทราบถึงกระบวนการการฝึกตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าจิตใจของคนที่เกิดมาเกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยคือยังมีกิเลสแน่นอน ไม่งั้นเราจะเกิดมาไม่ได้ยังมีความยึดถือมีกิเลสมีอวิชชาแน่นอนละ่ะทีนี้อเจ้ากิเลสอวิชชาตั้หาความยึดถือที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันก็จะไปตามอำนาจของมันมันอยากจะดิดด้นไปทางไหนมันก็ไปทําให้คนเราออกมาแตกต่างกันใช่ไหมคนนี้เป็นแบบนี้มีมุขลี้แบบนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาไปทีนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อลอกกิเลสเนะีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสที่อยู่ในใจมันจะไม่ห้เรามีความทุกข์เนะี่ยดิดด้นไปตามเรื่องราวต่างๆอ้าวทำยังไงล่ะก็ให้มันหลีกเล่น กระบวนการฝึกของท่านก็คือให้มีศีนอยู่สงบสงับฝึกให้จิตเป็นอารมณ์เดียวแต่พวกนี้เวลาที่กิเลสมันจะตายหรือกิเลสมันจะถูกกําจัดออกไปเนี่ยมันก็จะดีดดิ้นออกมา <คะ S 2> บางทีมันจับตัวเราเป็นตัวประกันโดยการให้เราง่วงซึมเมื่อที่เราเจ็บเจ็บบางทีให้เรานอนไม่หลับมันจะเป็นไปทุกรูปแบบแต่ล ะ, ค, ะคนก็จะแตกต่างกันแต่ดิฉันรู้สึกจะมีครบเลยที่ท่านพูดมาไหมคะลืมพูดถึงเรื่องการเจ็บ ม, มนนรกๆอีกเช่นเดียวกันคือนั่งแบบโหเหมือนกับเอ้นี่เรามาทรามารร่างกายอยู่ทำไมทุกการกิริยาหรือเปล่าเนี่ยโหมันท่านคะไอ้ที่มันไม่เคยปวดมันมาจากไหนก็ไม่รู้ <No. S 2> มาสมรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วยิ่งปวดตรงแถวบริเวณคอเนี่ยมันเหมือนมีอะไรแหลมแหลมทิ่มแทงทิ้งแทงนะคะส่วนการปวดขาเนี่ย ดังจะไม่เคยนั่งได้นานเกินสิบห้านาทีแล้วไม่รู้สึกปวดทรมานในช่วงวันแรกๆอืมแต่ว่าวันหลังนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเลยเปลี่ยนวิธีนั่งเลยขอเก้าอี้ตัวเล็กที่เขาตั้งไว้ให้นั่งเนี่ยนะคะก็ประกอบกับการที่นิวรหายไปคือการง่วงเหงาแบบที่ท่านว่าเนี่ยเออก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นานๆใช่ค่ะอันนี้วการปวด น, น้อยล ง, ลลงค่ะแล้วเราจะเห็นเห็นได้ชัดเจนคือ พอเราถ้าสมมติเรายอมแพ้มันเรายอมแพ้มันคือเราเป็นพวกมันคือถ้าเรายอมมันคือเราเป็นพวกมันเลยนะกิเลนเนี่ยนะคือเรายอมว่าโอเคโอเคเลิกก็ได้เพราะว่ามันปวดโอเคโอเคเลิกก็ได้เพราะว่ามันง่วงไปนอนดีกว่าโอเคเลิกก็ได้เพราะว่ามันไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรฉันไปคุยดีกว่าแต่ถ้าเรายอมมันปุ๊บคือเราก็เป็นพวกกับมันถ้าเราเป็นพวกกับมันเราก็จะสุขทุกข์ไปตามมันนะมันพาสุขเราก็สุขรุ่มหลงมันพาทุกข์เราก็ทุกข์รุ่มใจนะคือเป็นพวกมันไปแล้วคือเป็นพวกกิเลนไปแล้วจิตมันก แต่ถ้าบอกว่าเราฝืนนะซึ่งแน่นอนว่าคําสอนของพุทธทาสเนี่ยเป็นไปเพื่อทวนกระแสคือนะกระแสของกิเลสหามันจะพาเราไปทางต่ำนะเหมืนจะพาไปนรกกาเนิดในสารเปรตพิสัยไปทางนั้นแะต่ถ้าเราทวนกระแสแตทวนกระแสก็คือไม่ยอมมันแตนะ่ตรงนี้ต้องใช้ความเข้มแข็งตรงนี้บางทีต้องใช้คนบอกตรงนีง้บางทีต้องใช้ผู้นําในการพาไปบางทีต้องใช้คนที่จะชักจูงแตนะ่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จูงใจได้ สาวกที่เข้มแข็งที่จูงใจได้มีแล้วก็พากันไปมันก็จะสู้กับกิเลสได้แล้วทีนี้พอเราล่อกมันออกไปเนี่ยมันเอาชนะเราไม่ได้ล่ะเราก็จะเราก็จะสบายในแบบที่เป็นความเย็นสบายอยู่ในใจค อ, อทันทีที่มีอาการเช่นนั้นหลายๆครั้งติด ก, กันแล้วเราเริ่มรู้สึกมันละบากมากเนี่ยก็มาถามว่าเป็นอะไรพีฉันสรุปว่าเอ๊ะเรามันแก่ก่อนไว้ยังไงเนี่ย หันไปมองข้างหลังนะคะเนื่องจากไม่พูดกันก็ใช้วิธีมองอย่างเดียวในขณะที่เราไม่ไหวแล้วเนี่ยจะมีผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่นั่งแบบสง่างามแบบ พ, พูดจะรูปเลยนะค่ะแล้วนานแบบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเลยคนสาวนี่เป็นเยอะแบบติชันเลยนะคะทีนี้ในส่วนตัวถึงวันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเจ๋งแต่รู้ว่ามันมีขณะของการที่เรารู้สึกสบายกับการทําสมาธิเนี่ย อยู่พอสมควรในระดับที่คุ้มค่าการไปอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปฏิบัติกว่าจะผ่านลุล่วงและยืนยันว่าจึงจำเป็นจะต้องอย่าไปประหยัดวันพยายามไปมากๆให้ครบเพราะว่าการผ่านขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละคนอาจจะเนิ่นช้าหรือว่าเร็วกว่ากันซึ่งเราไม่รู้จะเป็นประเภทไหนดิฉันเคยไปครั้งที่แล้ว ไม่ทราบท่านอาจารย์จำได้หรือเปล่าครั้งแรกมีเวลาสองหรือสามวันเท่านั้นเลงใช<จ>่ครั้งนั้นดิฉันรู้สึกเลยว่าก็ไม่เห็นอะไรเลยตัวเราเองนี่มันไม่พัฒนาเท่าไหร่นั่งที่บ้านยังดีสั ก, กว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการปฏิบัติเองตามคําสอนของอพระพุทธเจ้าในพุทธวจนะเนี่ยก็ได้สมาธิในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไปนั่งแบบหลีกเล้นโดยมีกระบวนท่าที่ตระเตรียมเอื้ออํานวยให้กับการหลีกเล้นอย่าง เกือครบทุวนเนี่ยดิฉันว่าได้ผลมากกว่าสําหรับตัวเองนะคะใช่คือคือนี้เราเราสามารถเห็นได้ทันทีนะคุณโยมติวว่าถ้าจะน้อยวันไปกว่านี้สามวันหรือห้าวันมันก็จะได้ผลเท่าสาวันหรือห้าวันเป็นมันจะไม่ได้เท่าเจ็ดวันคต่ถ้าจะมากไปกว่านี้บางทีมันคิดถึงบ้านก็กลับบ้านชซะแต่ว่าช่วงวันเนี้ยมันกําลังดีสัปดาห์หนึ่งคุณบล็อกลิฟไว้เลยก็คือถ้าลาวันงานเนี่ก็แค่ห้าวันเต็ม าสารวาัตรทิศของสองสาวาัตราิศก็ได้เป็นเก้าวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการเดินจงกรมนะคะการเดินจงกรมเนี่ยถึยงก็ว่าเป็นเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจร่างกายของคนนะมันแบบว่าการเปลี่ยนอริยาบทแต่ไม่ได้เปลี่ยนความไม่ได้เปลี่ย น, ยนสภาวะจิตอ่าจิตก็ยังต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเหมือนเดิม อิริยาบถก็เปลี่ยนไปได้ค่ะก็จะเห็นคนจํานวนหนึ่งที่พึงพอใจวิยาเปลี่ยนอิริยาบถอย่างอื่นแต่ว่าคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเก่าที่ฉันสังเกตเนี่ยเสร็จจากนั่งสมาธิปุ๊บขอเดินจงกรมสักพักหนึ่งก่อนแล้วไปเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยอืก็แทนที่จะผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการออกจากสมาธิก็คงทําต่อเนื่องเท่าที่สังเกตใช่ใช่แล้วก็มีวันดีฉันพยายามเดินเดินแค่ สักสิบห้านาทีนิดโอ้ยได้จํานวนก้าวเยอะมากเลยนะคะคือคํานวณเอาว่าอะขาไปขากลับในเดินได้แปดสิบแปดก้าวเนี่ยเดินอยู่เป็นยี่สิบเที่ยวสามสิบเที่ยวในเวลาแป๊บเดียวนี่ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายไปด้วยอืแต่จริงๆมสมาธิก็ตั้งไม่ง่ายนะคะเออคือพูดถึงการเดินเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้ตรลสเปนี้อันที่สองหนึ่งในห้าอย่างก็คือสมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นาน <c oughs> แต่ว่าการเดินเนี่ยมันจะมีผัสสะเยอะกว่าการนั่งแน่ ถ, ถ, ถ้าจะเปรียบเนี่ยเพราะว่านั่งเนี่ยเราไม่ได้มีภาษาทางกายมากเท่าเดินใช่ไหมตาเรา <c oughs> ก็ไม่ได้เปิด <c oughs> เพราะฉะนั้นพระรู้เจ้าเคยตรัสถึงจุดที่เรียกว่าคนจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาสมาธิได้เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องมีอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินมันจะต้องอดทนต ร, นตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะฝึกสมาธิโดยการไม่ต้องเดินจงกรมเลย อ๋อได้ก็นั่งอย่างพระพุทธเจ้าก็นั่งตอน ừ, ที่ที่ตรัสรู้ธรรมตอนท่านพระัญญาโกตัญญากับภิกษุปัญจับวักีก็นั่งฟังธรรมอยู่ไม่ได้เดินเท่า น, นั้นค่ะแต่สําหรับการเดินก็เลยจะเล่าให้ท่านฟังได้ฟังถึงบรรยากาศของวัดเพิ่มไปในคราวเดียวกันเลยนะคะว่าก็เป็นวัดที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการจะเดินเหมือนเราเดินลงเข้าไปในป่าไผ่นะคะมะีช่องทางเดินกันเป็นระบบระเบียบที่พวกเราก็จะไปช่วยกันกวาดให้สะอาดสะอาดสะดวกแล้วก็ง่ายกับการเดินดิฉันเองเดินเนี่ยอชอบเดินแต่ว่าเหมือนที่ท่านพูดนะคะสมาธิจะไม่เหมือนกับเวลานั่งนะคะจับยากแต่ก็พอได้นิดหน่อยอเรื่องอาหารการกินดิฉันกลับมาเนี่ยจริงๆอยากจะประคองการรับประธาน แบบนั้นไว้อยู่เลยนะคะที่อะไรนะคะมนุษย์เดียวมนุษย์อะไรนะคะมนุษย์สติมโตอ๋อทธาอะไรเนี่ยมีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในโพชนาที่ได้มาแล้วย่อมแก่ช้าแล้วก็กรองอายุได้ยืนนานมีเวทนาเบาบางด้วยใช่ใช่คือท่านังคะเราจะมีการรับประทานกันสามครั้งนะคะแต่เราถือศีลแปดครั้งที่หนึ่ง รับประทานกันหลังจากที่ถวายพระตาหารประสงฆ์แล้วพระสงฆ์ก็อ่าอนุโมทนาแล้วเราก็มารับประทานอาหารที่เตรียมไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมังสวิรัต์ใช่อันนี้คือเป็นอาหารมื้อหลักละค่ะแต่ว่าเดียวตรงนี้อืบางทีก็เห็นเนื้อสัตว์ที่คนอื่นอามาถวายใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือเขาก็มาทําบุญใช่ไหมแต่<ช>เราห้ามผู้อื่นให้ทานก็ไม่ใช่มิแท้ค่ะแต่เราก็พิจารณาว่าเราจะกินหรือไม่ก็แล้วแต่ ท่านคะอันนี้ดิฉันก็ลืมไลยค่่จะถามด้านดิฉันก็เหลือตากไปบางครั้งเนี่ยเพราะเห็นมีประตูทอดมาตั้งเยอะอ ก, <c oughs> ก็ก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ได้ทานไปคงไม่เป็นไรมั้ <c oughs> กัก็ก็ไม่มีปัญหาคือการรับประทานเนี่ยคือเราก็พิจารณาอย่างที่ว่าให้เป็นท่านสี่ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เป็นพิจารณารับประทานเพื่อที่ใ ห, ให้ให้กายนี้มันตั้งอยู่ได้ไม่ได้ไไดเพื่อความสวยงามไม่ได้เพื่ออะไรท่ถึงจะถูกหลัก อันนี้มื้อที่หนึ่งต้องถือว่าเต็มรูปแบบนะคะ<ช>ตอนเจ็ดโมงเนี่ยแล้วพอมาถึงหลังจากไปปฏิบัติไปอีกพักหนึ่งสิบเอ็ดโมงจะมีมื้อที่เรียกว่าอาหารว่างก็ยังจะมีเนื้อหนังของอาหารอยู่อาหารหลักของอาหารว่างที่ดิฉันสังเกตนะคะคือส้มตําส้มตําไทยใส่ถั่วลิสงเนี่ยกับอะไรอีกอย่างหนึ่งเช่นอาจจะเป็นตมถัวแหนมทอดยำ อ, อะไรค่ะต้มถั่วอย่างที่ท่านพูดหรือว่าเ อ, อ อะไรเบาๆอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือจุดประสงค์ก็คือว่าสําหรับคนที่เขายังไม่คุ้นชินค่ะก็จะมีแต่ว่าสำหรับพระสงฆ์นี่คือจะจบละตรงนี้ะจะไม่มีแล้วผู้ปฏิบัติบางท่านดิฉันก็เห็นว่าก็เว้นอาหารมื้อนี้เช่นเดียวกันใช่บางคนบางส่วนจะไม่มาเลยค่ะเขาก็ใช้เวลาไปปฏิบัติหรือว่าไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ที่พักบ้างใช่แต่อีกมื้อหนึ่งจะเป็นมื้อที่เรียกว่าปานะมื้อที่เรียกว่าปานะก็คือ ถ้าเป็นประสงค์เขาเรียกก็เป็นอะไรคะท่คะปานี่หมายถึงน้ําปาเ น, น, นี่นี่แปลว่าน้ำอ๋อค่ ะ, ะทีนี้ว่าน้ําที่เอามาบริการให้เนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะคือเป็นน้ําดื่มที่เป็นน้าผลไม้บ้างค่ ะ, ะไ ม, ไม่ไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ําตาลไม่ผ่านความร้านอันนี้คือดื่มได้ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าน้ำปานะส่วนที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพสัชค่ะนะซึ่งส่วนที่เป็นเพสัชเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้รากหรือว่าใบาที่มีคุณสมบัติเปญญ็นยา ค, คนที่รักษาศีนแปดเนี่ยสามารถพิจารณารับประทานโดยให้เป็นยาได้แต่ชในที่นี้เราก็มีเ้าก้วยนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็มีเม็ดแมงลักด้วยอนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกน้ำมะตูมน้ำหวานบ้างนะค ะ, ะแต่ว่าระหว่างทั้งวันช่วงเช้าใครที่ดื่มกาแฟก็พอมีให้นะคะกาแฟโอนตินอะไรพวกนี้ขนมปังก็มีเลื่อยมาจนถึง11เอโมงหลังจากนั้นก็จะเก็บ พวกฟมงกฟเมเนี่ยจะเก็บไปเลยนะคะคือเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องระวังตัวเราเองมากจนเกินไปแล้วพลาดพลั้งไปชงดื่มอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะก็จะทำให้เราไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรจะเป็นตามที่กติการมารยาทที่เราตกลงกันเอาไว้เพอหลังจากนั้นก็จะเข้าหมูดการปฏิบัติในตอนกลางคืนซึ่งจะมีการ ฟังทำอย่างเต็มที่ชั่วโมงเสด้วยนะคะที่ท่านไปบโธโอ่งจะ<า>แถมให้ <c oughs> โอ้โหเป็นการฟังกันอย่างจุใจค่ะยังเข้าใจว่าเจ็ดวันที่นั่งฟังกันอยู่เอาเอาแค่พระสูตรของพระพุทธองค์นี่เยอะมากอะค่ะถึงถึงห้ 500. าร้อยไม่ใช่หรามร้อยห้าร้อยเกินว่าก็ไม่แน่ใจแต่มันยังมีที่ยังไม่ได้พูดอยู่เยอะเหมือนกันเอ่อ <c oughs> แต่ที่สําคัญเนี่ยสิ่งอื่นใดไม่ใช่ที่ปริมาณนะคะท่านดิฉันสังเกตและดิฉันหนมาอนกัน ต้องนมัสการขอบพระคุณท่านมากๆว่าใช้ความสามารถในการที่จะลำดับร้อยเรียงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของเราณขณะนั้นขณะนั้นสามารถที่จะเหมือนสอนเราไปด้วยจากคาสอนของพระเจ้าเลยแล้วก็ช่วยตอบคำถามของเราไปด้วยจากพระสูตรที่ท่านอ่านในห้วงเวลาขณะนั้นนะคะใช่ใช่คือในช่วงอดรมานี่ บวชมาช่วงสองสามปีแรกแได้ <Okay. S 1> มีโอกาสศึกษาในห้าเล่มของท่านบุตรทานที่แปลเอาไว้เกิหมายถึงว่าเป็นพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสร็จ <Okay. S 1> so, แล้วก็เห็นความสอดคล้องของเรื่องราวต่างๆโอ้โ oh, หตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกันแหมผู้นําเรานี่สุดยอดจริงๆสามารถ <Okay. S 1> ที่จะรู้ว่าระจิตอธิบายอะไรต่างๆได้เราก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ย ม, มาต่อกันมาเรียบเรียงในลักษณะที่ตัวเราเองเข้าใจที่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมาเล่าให้ฟังใ น, น <Okay. S 1> แต่ละวันแต่ละวันค่ะ ก็เนี่ยค่ะอถ้าจะพูดอันนี้พยายามพูดเป็นภาพรวมนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศจะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้พูดในส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอที่วัดเนี่ยมีท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมคะคือหลวงพ่อดรสอาดธิตาพาโซเนี่ยอ่าท่านอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยด้วยค่ะหลวงพ่อที่ทนเห็นท่านไม่ค่อยหลวงพ่อก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสาระค่ะก็ได้ฟังธรรมที่ท่านแสดงบ้างนะคะ เป็นครั้งคราวแล้วก็ท่านก็เมตตาที่จะให้พวกเราไปปฏิบัติร่วมกันปฏิบัติร่วมกันแล้วก็จะคอยชี้แนะหรือว่าเราสงสัยมีคำถามไม่ต้องอัดอั้นตันใจนะคะเขาจะมีห่วงเวลาในการที่ให้เราเขียนไว้ว่าเจตนาเราประสงค์ไปถามคาถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้พาเราไปวันที่เปิดวาจาทั้งคะ เขาเปิดวาจากันก่อนกลับนะคะท่านฟั ง, งกลับวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยวันนี้ก็เปิดแล้วประมาณบ่ายแก่ๆสามโมงคึ่งเพื่อที่จะให้เราเตรียมตัวในการกลับบ้านคืนกระเป๋าสตางาคท์ที่ช่วยเราเก็บไว้คืนโทรศัพท์ที่ช่วยเราเก็บไว้นะคะดิฉันเชื่อว่าทันทีที่ทุกคนไปได้รับปุ๊บเนี่ยยกเว้นผู้สูงอายุทั้งหลายคงจะทําสิ่งแรกคือกดโทรศัพท์เปิดกัน <laughs> ดิฉันอยากจะแนะนําท่านว่าขออภัยนะอยากเสนอว่า ถ้าเก็บไปได้จต่กราบก็ดีเหมือนกันนะค่คือพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคนละโลกอะ น, นะคุณโยมเติ๋วนชไหใช่ไหม ค, คือคือโลกภายนอกเนี่ยโอ้ะมันเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอยู่วัดนี่มันคนละโลกกันค่ะบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยมันก็พูดเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะบางคนเขาคิดว่าเราสุดตรงอะไรนี้แต่จริงเหมือนกับถ้าอย่างตัวเองกืใช้ชีวิตมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยนะคะไอ้การว่างๆแบบ ไปปิดผัดสะทั้งหลายเนี่ยคิดว่าไม่เคยรู้สึกมาก่อนนอกเหนือจากข้อปฏิบัติที่เราเคยไปทำในลักษณะเดียวกัน mm hmm. มันเป็นโลกของการที่เราจะได้รู้ว่าทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะบางเรื่องเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปรับรู้ไหมเพราะมันเป็นภาระภาระในการที่จะมาวางถ่ายถอนโยนมันออกไปจริงๆขันห้านี่แหละคือภาระน เพราะฉะนั้นในที่นี้ทมาก็อยากจะเชิญชวนหลังคุณโยมติ๋วได้มีโอกาสไปแล้วเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะเชิญชวนทั้งทั้งหลายหลังว่าในในชีวิตนี้เราเกิดมาก็จากนี้ไปก็คงไม่เกินร้อยปีห้าสปีบางทีก็ยังยากเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยถ้าเรามาหาความสุขในภายในหาสิ่งที่มันมีค่าซึ่งซึ่งประสบการณ์ตอนนี้บางทีมันหาค่าไม่ได้แล้วมันมีค่าเท่าไหร่กันแน่จะมีค่ามากเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนกันให้มาหาสิ่งที่เป็น เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้นั่นแหละค่ะคือต้องบอกว่าได้พบคนที่เข้ามากันไกลๆนะคะเรานี่จอยไปเลยนึกว่าเราเจ๋งแล้วนะโอ้ยมาจากกรุงเทพสละเวลาโง่งี้ใช่ไหมคะไปเจอสองคนมาจากสามคนมังาจากอังกฤษเราก็ไม่ได้มาด้วยกันคนหนึ่งนะคะสองคนมาด้วยกันอีกคนแยกกันมาไม่รู้จักกันอีกอีกส่วนหนึ่งมาจากซานฟรานซิสโกอเมริกาอีกคนหนึ่งก็มาจากออสเตรเลีย อันนี้เอาเท่าที่รู้จักนะคะเท่าเท่าที่ได้มาคุยกันทีหลังเป็นคือถึงได้มารู้ว่าอ๋อเขาเขาด้านโดนมากันนะแล้วเขาไม่ได้มาเพราะว่าเป็นบายโปรดักเขามาแวะเที่ยวมาแวะปฏิบัติเพราะมาทําอย่างอืน่นเขาตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจมากันเลยคะก็คิดว่าถ้าคิดแบบสนุกสนุกนี่ฉันอยากจะบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะท่านอาจารย์คะคือเหมือนกับถ้าเราจะไปทัวร์นะคะ เจันสิบปันเี่ยวไปกันได้สบายเลยทั้ทัวร์แบบนี้เปทัวร์หายากทัวร์อย่าง <No. S 1> อื่นเนี่ยไม่ต้องให้ใครพาไปเราก็ไปได้ uh, แต่ทัวร์แบบนี้ค่ะมันโอ้ยมันแตกต่างไม่ไม่อยากพูดมากไปกว่าอยากให้ท่านมาสัมผัสเองและอาจจะเล่าไม่ละเอียดไปนิดนึงตอนเรื่องปิดวาจากับปิดโทรศัพท์เนี่ยว่าแม้แต่กระทั่งการ ต้องระมัดระวังอากาปกิริยาเพื่อจะให้เกิดการสื่อสารเช่นการสบตาการแสดงอาการสื่อสาราถึงกันข่าภาษาท่าทางก็พยายามให้พี่ชายดิฉันยังพูดอะไรไม่ครบนี่เนี่ยรู้แว่าถ้าให้เล่าเนี่ยเล่าไปอีกได้เรื่อยๆเพียงแตบบ่ว่าก็อยากจะให้คนที่ฟังในตอนเดียวเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้ว่าเนี่ยแหละค่ะสรุปการที่ไปหลีกเล่นประสบการณ์ของดิฉันก็บอกท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีค่า และเหมือนที่าอาจารย์พูดว่ามีโอกาสก็น่าจะมากันอยากจะเชิญชวนกันค่ะสำหรับถ้าต้องการหาข้อมูลจะเป็นรูปภาพากดกติกาตารางเวลาอะไรต่างๆให้ไปที่เว็บไซต์ของวัดได้ที่ wpdhs.org.wp ก็ย่อมาจากวัดป่า d h s ก็ o r g ค่ะนฟังคัด น, นั่นก็เป็นสังเขตนะาจากประสบการณ์ที่ได้ไป หลีเล้นมาถ้าหากท่านสนใจอยากจะถามอะไรเข้ามานอกเหนือจากนี้ก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะท่านพิบุนคะ่ะเดี๋ยวฉันใช้เวลาหมดเต็มที่จริงๆก็คงจะต้องนัดมาคุยกันพรุ่งนี้ต่อนะคะสำหรับรายการของเราสัสนสีสมทนาก า, นการานวันศสกรขอบพระคุณท่านคะ่ะเปนบานแล้วก็สวัสดีคุณฟังไปในโอกาสนี้เลยนะคะพรุ่งนี้พบกันคะ่ะพุทวสวัสดีคะ่ะ